เซขาปฏิปทาสนทยาธรรมิกถาวันที่11มกราคมพศ2547เรื่องการศึกษาเซขาธรรมตอนที่2โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยต้องใช้คันติคันติมีระดับนะครับฟังให้ดี ขันติระดับหนึ่งหรืขันติระดับอดทนต่อร้อนต่อน้ำต่อเจ็บต่อปวดต่อแดดต่อฝนขันติจะประเภทนี้ท่านได้ว่าทีติขันติพระเจ้าโสก็ต้องทนด้วยทีติขันติจะเจ็บจะปวดจะหนาวจะร้อนจะแค่นั้นก็ตามประชาชนเขาไม่พาพลิกเขามม่พาไม่พานี้อายของ็องนั่างเราคงลรตายอยู่ตรงนั้นแหละจาก สี่ทุมไปหาหกทุมหาตีหนึ่งตีสองต้องเพิ่มคันติเข้าไปอีกเรียกว่าอธิวาสนะคันติคันติที่ทนจนไม่ต้องทนทนรองรับเอาไว้อย่างยิ่งทุกอย่างนี่ระดับสองนะก็ไปได้เลยไปถึงตีหนึ่งตีสองมืนเลยชาเลยไม่เจ็บมม่ปวด นี่มัถึงอธิวาสนาคันติพรเราถึงมือเลยอย่างถึงชาหลือย่างเนันะเอาไปพรุ่งนี้เอาไปถึงอธิวาสนาันติปราชาชทงก็ไม่พิกเมือนกันกลัวพระเจ้าอาสบก็ใช้ระดับเดียวกันนั่นแหละยานเดนะเลี ย, ยม า, บ า, ยาเบืองน้โอ้ยจะเสียดวกลัวมากเพราะท่านมีฤทธิ์อำนาจเป็นเป็นทิป ด้วยบุญของท่านจนสามารถไปพระแจกจักรพรรดิได้ไม่เคยแพ้คาแนนสนามลบเอาสายตาในสู้ด้วยจากตีสอบมหาสว่างหาแจ้งตรงนี้แหละต้องใช้อีกระดับหนึ่งมีชื่อว่าตีติขาขันติที่เราสวดปฏิบบอบาปฏิบมอง ขันตีปรมังตะโปติติคาขันติคือความอดกั้นเป็นทำเคลื่อนเผากิเลสอย่างยิ่งใช่ไหมแต่ที่เราบขาจีนมันมันมันแปลว่าอย่างนั้นนะติติคาขันติหนึ่งขันติตัวนี้ต้องทนต่ออารณ์ทั้งดีด้วยทั้งชั่วด้วยเขายกย่องมาก็จะเป็นต้องอดทนนั้นจะไปลงดีใจนี่ขันติตัวนี้มันสูงเว็นขันติชั้นระระดาภะอรหันต์ที่พระเจ้าเทวะภะอรหันต์ฝังก็เอาตัวนี้มาใช้นะ ไอ้ chat, สองตัวนั Upper ้นยังแท้ไม่ได้เวลาไปเผยแผ่ไปนำพืชสารนะไปไปเผยแผ่เขาจะด่าจะว่าจะอะไรเขาจะยกยุกของสารสสกษณ์เจะไปลงทีใ่ต้องอดต้องทนตัวตัวนี้พระเจ้าอโสดก็เมืองกันพอถึงตีสองมันมันเจ็บมันปวดมันก็ไม่เจ็บไม่ปวดก็เลยเกิดปาโมดเอเรามันึกว่าเราจะทำได้เราก็ทำได้ มึงพวกเราไม่คิดว่าเราจะทําได้กินข้าวกินเวลาเดียวตื่นแต่ตีนหนึ่งตีสองก็ตื่นมาได้พอได้น้ํดมูอยู่นี่บามูเนี่บอตาเฮงนี่กระบาดตายตัวนั่งตอก็เลยเกิดปาโมดบันเทิงแก่ว่าเอากระบอขี่ลายถ่ายเปย์ภายในตัวเห็นได้ดมูอยู่เมื่อเกิดปาโมดจะเกิดปีติคนลุกขนพองน้ําตาไหลตัวเล็กตัวใหญ่ตัวโยกตัวคอนเย็นแต่จะเย็นเบาแสนจะเบาไม่จะห่อลอยล่องภาในอากาศนี่เกิดปีติแล้ว เมื่อเกิดปีติเรเกิดปัสถะทิความเจ็บปวดรุนแรงมันหายไปไม่มีหลังจากนั้นมันก็เกิดความสุขสุขใจอย่างยิ่งมรู้จะไปบอกใครแต่เราสัมผัสแล้วความสุขชนิดนี้เมื่อความสุขชนิดนี้เกิดขึ้นสุขีโนจีตังสมาธิยะติเมื่อจีเป็นความสุขแล้วก็เป็นไปเพื่อสมาธิเมื่อสมาธิเกิดขึ้นในความสุขนั้นก็จะเกิดญาติาภูตะญาณทัศน์ตามรู้ตามเห็นจริงทั้งหลายตามที่มันเป็นจริง หูดังขึ้นมาหูดังสนานบาดใบขึ้นมาของเู้ใจอ่เมื่อหูดังดังขึ้นมามากเสียงค่อยสมมงบลงสงบแล้วก็เปลี่ยนจากจากเสียงตะรานดังสองจอั่หวะเป็นเป็นจังหวะเดียวเป็นเสียงแหลมดึบเมืม่อเสียงไม้หอมเลยละ่ะอีเราเราจะมีอยู่ทุกคนถ้าฝึกไปทำไมหลังจากนั้นเสียงนั้นจะเปล่ยแปลปรูปเป็นเสียงคนเสียงดังขึ้นเป็นเสียงคน แต่ก็คนเขพูดเป็นเสียงคนเป็นภาษาบาลีพระเจ้าโศกตื่นเต้นมากก็ต้องอดทนไม่ต้องตื่นเต้นกับมันตีที่ตีขันติตีที่ขาขันติไม่ต้องตื่นเต้นฟังดูฟังแล้วก็อยากเห็นตัวผู้พูดเสียงมันดังที่ไหนมาดังทั้งฟ้าดังทั้งดินอยากจะเห็นตัวใครน้องเป็นคนคนคนพูดดีน้องพอคิดอยากจะเห็นตัวก็เห็นเทวดาทั้งนั้นกว่ายังไง อาหารจะสิรสัมปันิจิรรัฐ t สมหิเตสมมาปัพพชิเตเันเทผังมจริยาปยาปราชญ์ข้าพเจ้าขอน้อมเสียงอภิวาทท่านภูมิศิลถ้าภู ม, มิจิตตั้งมั่นในราติจิรรัฐ t สมหิเตสมมาปัพพชิเตเันเทข้าพเจ้าขอไหวท่านผู้บวชแล้วโดยชอบ พรอมจริยญาประรา ย, ยเงริญข้าพเจ้าขอไหว้ท่านผู้มีพรหมจาร่เบื้องหน้าพอขี้ใจเห็นก็เห็นและมีคำแปลปะหลาดตามมาเยข้าถามปุญญกาัาศีระบันโตปาสกา่างโนทันติเทวตาติคำนี้ไหว้ผู้ที่ทำอาหารข้ า, าราชาเราใดหนอเป็นผู้ทําบุญ คือลูกสาวลูกชายหลานสาวหลาชายเข้ามาตำทข้าวตักน้ำมาทำอาหารเดียงพ่อแล้วแม่เขาเทวดาก็ไว้ต่อยีฆาถาปุญญกราศีลพันโตบาสกาอุบาอุบาสิกาเหล่าใดขลึหกหัตเหล่าใดผู้มีศีลผู้มาทำฐานมาให้เรียแรงเป็นฐานเราขอไว้บุกคนเหล่านั้นดังไม่พอมีคาประหลาดตบทาย ซึ่งพระเจ้าทรงประทับใจมากสัมมาธารังโปเซนตีย่างนัมสันติเทวตาติข้าพระเจ้าพราอมทั้งเทวดาทวยเทพทั้งหลายขอน้อมเซียนอภิวาท่านผู้เลี้ยงดูภรรยาและสามีโดยชอบกงดูนะสัมมาธารังโปเซนตีผู้เลี้ยงสามีภรรยาโดยชอบ อย่างนามัสติเทวตาเตคือผัวมาม า, มานั่งจำสินนุ่งขาของมขาวเมียมาตักน้ำเมียมาตำข้าวเมียมาผาปื้มือมาทำอาหารเลี้ยงฟัวทำไมนั้นที่พระเจ้าอโศปประกาศไปบางคนเมียมาจำสินผัวมาตำข้าวมาตักน้ำ ม, มาผาปื้มมาทำอาหารเลี้ยงเมียเทวดาก็เลยบอกว่าซ้ำ ม, มาถาลำโ ป, ป่งเส้นตีดังนางนมัสติเทวตาเตอื้อเดี๋ยวเแจ้งแล้วข่าวเดียว สว่างไม่ปวดขาเลยหมดสดชื่นอยู่อย่างนั้นพราฟังเสียงเทวดาแล้วก็เห็นตัวเทวดาด้วยคืนเดียวนะพระมหาตรษสเทธิบอก ว, ว่าขอให้ทุกท่านจงคลายจิตออกมาจากการเพ่งคืนไปจัดการกับสาริลักษณ์เกศของท่านเถิดให้เลิกมันสว่างหมดทุกคนเลิกหมดพระจเจ้าอโศกไม่เลิกนั่งประทับนิ่งแม่นิ่งอยูอย่นั้น เขประทับใจมากประทับใจเสียงเทวดาประทับใจที่ได้เห็นเทวดาวาคนพอลืมตาขึ้นก็เรียกเรียกราชวัดลบคนใกล้ชิดคนติดตามนานๆที่รู้ว่าราชวัลลบราชวัดลบผู้สหายเอากระดานมาให้รรงกระดานหินแล้วก็ดินสอหินมาเอามาให้ท่านเขียน เขียนเขียนให้ให้ราชจ้าวันรบบอกว่านับกว่าเป็นเวลาเกือบสองปีครึ่งที่ข้าพระเจ้าหย่หัวปีได้ทัดสีผู้เป็นที่รักแห่งมุมมนุษย์และทวยเทพเป็นเวลากว่าสองปีครึ่งที่ข้าได้เข้าถึงพระรัตนตรยัยแต่ข้ายัางไม่ไม่ได้เข้าสู่สงฆ์ฟังให้ดีนะ พูดยังไงเราจะฟังออกไหมสองปีครึ่งแต่ยังไม่ได้เข้าสุ่รัฒนาตายแตยังไม่เข้าสู่สงฆ์แต่บัดนี้ข้าได้เข้าสู่สงฆ์แล้วเพราะเหตุที่ข้าได้เข้าสู่สงฆ์ได้กระทาความเพียรอย่างแท้จริงแต่ไหนแต่ไรมาแล้วในโชพูทวีหมู่ ม, มนุษย์และเทวยเทพบน ส, สวรรค์ไม่เคยใกล้ชิดสนิทสนองกลมเกลื่อกันเลย มีได้มนุษย์ไหวเทวดาแต่เพราะเหตุที่ข้าเข้าสู่สงฆ์ได้กระทําความเพียรอย่างแท้จริงเหตุอาการอันนี้ทําให้เทวดาและมนุษย์พร้อมทั้งทวยเทพใน ส, สวรรค์นในจงุทวิบนี้ได้ใกล้ชิดสนิทสนมกลมกลืนไปอันหนึ่งอเดียวกันแม้เทวดาก็ได้ได้ไหวได้ไหวมนุษย์เพราะความเพียรอย่างแท้จริงที่เราได้กระทําได้เข้าสู่สงฆ์เพราะฉะนั้น ผู้ใดก็ตามอยู่ในพระราชอานาจของเราจงเอาบันทึกนี้ไปจดเขียนไว้บนโคดหินหน้าผาที่สูงสุดเพื่อปลกเราห้มวลชนทั้งหลายได้รู้จักทำความเพียรอย่างแท้จะได้พากันเข้าสู่สงเถิดนั้นแหละพาการเข้าสู่สงสงจะพาท่านไปสุคุณอันโอฬารอย่างน้อยที่สุดก็คือสองสวรรค์เหตุการณ์อันนี้ความเพียรอันนี้ไม่ใช่ทาไดแ้แต่เฉพาะผู้ยิ่งใหญ่ด้วยอานาจเท่ า, ทานั้นคนทุกคนยาก ทำด้อยด้อยค่าแค่ไหนก็ทำได้ข้อเชิญเธอท่านผู้เจริญจงกระทำความเพียงและจงเข้าส่มุงสงเธอจงแล้วก็บอกให้พระราชวันลบนะไปให้อามารพวกธรรมะมหาอมาทให้ไปเขียนเขียนไปธรรมาริปิเขียนใส่ก้อนหินใส่โขดผาใส่หน้าผาซุ้ยๆให้คนได้อ่านตนัวไหนเป็นเมืองขึ้นของพระเจ้าโศกบางคำไปเขียนหมด ให้คนทำความเพลี่ยนให้เข้าสู่สองที่ว่าเข้าสู่สองนีคืออะไรแต่ก่อนถือพระรัตนตาแล้วตั้งสองปีครึ่งอะไรยังไม่เคยเข้าสู่สอ์มันหมายความว่าอย่างไรสองนะั้หมายถึงงูที่เราเรามาในเรามาเข้าสู่สอ์พิกุสังโฆมูพระภิกษุอุปาสกะสังโฆวูาศกบาสิกาเนี่เรามาเข้าสู่สงหนึ่งถ้าทำอยู่คนเดียวมันมันทำไม่ได้ ม่นขีข้ขาดมันนอนไม่เปนบอกมูนเพราะอำนาจที่เข้าสุสานมันช่วยนี่เป็นการอยางนี้พระเจ้าโศกก็ได้สัมผัสได้เห็นเทวดาได้ยินเสียงเทวดาแล้ว จ, งจึงกล่าวว่าการที่ทําความเพียรอย่างแท้จริงด้วยอำนาจอาศัยของหมือมูอสองนั้นทําให้มนุษย์และถวยเทพในจักรวาลวิวได้ใกล้ชิดสนิทสนมกลมกลืนกันหลักศิลาจรึกหลักนี้มีเป็นหลักที่สิบสองหลักน้อย ถูกตีตอกการกระลึกไปทั่วในะจาจอภัยสารไปถึงน่นอภาการในสถานมากนดาหารทีนี้นของคงจะถูกถล่มทลายหมดแล้วคําคําพูดเหล่านี้แล้วมีที่เป็นความเป็นมาของการนั่งทําของเพลินเป็นหมู่เริ่มจากการฉลองพระบรมลมสาริลิกาธาติเดีพระเจ้จอมการ บ, บวชีบวชผามก็เกิดขึ้นในขณะนั้นแล้วก็จะได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นที่เรามาหนึ่งมามาืก็าาอาศัยหมู่ ช่วยกันไม่คิดว่าตัวเองจะนั่งได้ถึงสองชั่วโมงก็นั่งได้ไม่คิดว่าจะตื่นได้แต่ตีสองก็ตื่นได้ไม่คิดว่าจะกินครั้งเดียวจะจ ะ, จะอยู่ได้กันยังแสบอยู่กัยังมีแห้งกยมันอาศัยหมูในอาศัยสงเลยสองสองสอ ง, สองคำเดียวมันแปลว่าหมูมัดฉะสังขโมงปาสกุณสังขโมูนกพ้นนันนมันหนึ่ก็หมูเขากันหมูบาสมหมูบาสิกาให้มันนั่งไปหมู อาจจะต้องใช้ระบบนี้เมื่อเราทําเป็นเองกรมุงแล้วแล้วเรากลับไปที่บาัานที่บา้านเราจะทําเองก็ได้ทีนี้ยิ่งถ้าเราเราแต่ระบบเกี่ยวของเราเข้าที่เราฝึกเป็นแล้วเราจะมีความสุขมากอยู่คนเดียวยิ่งมีความสุขยิ่งไม่อยากพบใครพานกับโยมหกประการโยมก็จะสัมพันธ์กับเราเพียงห้าทบเราแต่เราก็ต้องทําคืนหก ในพุทธศาสตร์แ่นั้นจะสอ่อเรื่องชีวิตที่จะต้องรับผิดชอบร่วมกันชีวิตเดียวชีวิตคู่ชีวิตหมู่ชีวิตชุมชนแต่และชีวิตจะต้องเป็คู่ชีวิตพระก็เป็นคู่ ม, มันมีเมียเลยอพระจะคู่กับโยมคู่กับคารวาคฤหัสถ์พ่อแม่จะคู่กับลูกหัวจะคู่กับเมียเพื่อนจะคู่กับเพื่อนลูกศิษย์จะคู่กับอาจารย์ นายแจ่งจะคู่กับลูกด่างจะเป็นอย่างนี้แต่ละคู่แต่ละคู่นี้จะมีคุณทําจะต้องกระทําต่อกันฟ่าละห้าหลักฝาละห้าแต่มาถึงคู่สุดท้ายสมณพราหมณ์และค้าราชกาชาวบ้านจะพึงกระทําต่อกันแดงนี้ชาวบ้านพึงกระทาต่อพระสมณพราหมณ์ห้าประการแต่สมณพราหมณ์จะต้องกระทําต่อหกประการติดลบไปเลยหนึ่งแต่กำไรหรือขาดทุนแสดงว่าชี้ของนักบวด เอาน้อยให้มากให้มากๆแล้วเอาแต่น้อยปลดปล่อยตัวเองจากพันธนาการของสังคมแต่แต่พระพุทธชนพระอรหันต์สังคมมันสา่ารถจะขวางกัน้นการเจริญเติบโ ต, ตทางจิตใจทางปัญญาประสบอิสรภาพประสบวิมุตห์ให้ได้ขวางกั้นเราไม่ได้เราเราซและออกไปได้คือวิธีการเอาแต่น้อยให้มากๆให้ยังไงให้มากๆเอาดูดูดูโยมจะให้กับเราสักก่อน ตอนนี้เราศึกษาแบบบริรนาการกัคราวนี้เราจะต้องทํางานกันร่วมกันเพื่อรับผิดชอบต่อพระศาสนาต่อสังคมคารื้อหัดชาวบ้านผู้ครองเรือนกระพึงกระทําต่อสมณพราหมณ์ด้วยคุณสมบัติห้าประการหนึ่งเมเตนะกายกรรมเมนะสองเมเตนะปจิกรรมเมนะสามเมเตนะมโนกรรมเมนะ จะคิดจะพูดจะกระทําต่อเราสำนักพรามจงประกอบด้วยเมตตาคือหวังดีปัตตานาดีจะพูดก็พูดด้วยความหวังดีปัตตานาดีจะกระทําทางกายก็ทําด้วยความหวังดีปราตานาดีเมตตานุ่มแปลว่าหวังดีปัตตานาดีจะแปลว่าความรักนะถ้าแปลว่าความรักมันอันตรายมันเสี่ยงถ้าจะถ้าพระสงฆ์ในเมตตาตัวใหญ่ยกมามันจะเสพก็เสียถ้ามันแปว่าความปักมันจิวัดห้า สามแลว้วสี่อนาวัตถวรายะตายะต้อนรับด้วยความเต็มใจเปิดประตูหัวใจให้เต็มๆก็ต้อนรับพระต้อนรับสมณพราหมณ์อย่างน้อยที่สุดเมื่อเห็นสมณพราหมมาถึงที่อยู่ของตนให้น้ําให้อาสนะนีม้วนนั่นงซะมีแห้งก้อนคขน่นะมีศาสตร์กรอบม้มอนลากเอาหายแน่น้ำแต่ขันนึงแกว้วหนึ่งก็ไดดอกวัตหาของแซ่ของนุ่งกระไดดอกถ้าที่เรามีแต่ให้ต้อนรับด้วยความเต็มใจ ห้าอามิสสะธนุปทานเสงเคราะห์อนุเคราะห์ด้วยเหยื่อเหยื่อคืออามิสอามิสเนเี่ไปว่าเหยื่อเลยอมเกลือแน่แต่ดอกนี่มุสาวกจะเอ า, าเกือเข้มามาเจ้าคุณมึงนั่นนะนะอาหารนั่นนะปะจัจเจศีนี่คือของแถว่านที่เราทำก็เราแต่สมณพาหมจะต้องทําคืนคอกให้มากนะเอาน้อยให้มาก หกดีมีอะไรครับฟังแล้วคิดยากด้วยนะก่อนที่จะมีมาให้ก็ยากมีแล้วก็ให้ยากด้วยมันรู้เขาจะเอาหรือไม่เอานี่ไม่ได้เขาจะดาวของอีกด้วยซ้าไปถ้ามันฉลาดในการให้หนึ่งปลาปานิวาเรนติมันแนะนำพร่ำสอนชักชวนมิบอร์ให้เขาเว้นแต่กรรมบาตรเขาก็ทั้งหัวอะไรก็ได้บ่ให้เขากินเหลราเขาก็ดาวหัวต่ำบ่เสแต่งก็ดาวหัวเป็นยังไงมาบอกยังไงว่าตติดดาวเลอะหัวเราด้อยดาวนะ มีมาให้เขาแล้วก็ให้ยากเลยวัน้เขาจะเอาหรือไม่เอาเดี๋ยวไปดีติดล็อกไปสองกาลยาเนนะวินัเสประกะให้เขาเสพสมาทานตั้งมัน่นแนะนําคําสอนแท็กโชวีบอกให้เขาก็ทําำในสิ่งที่ดีที่งามอันจะเกื้อกูลแกชีวิตแก่สังคมแก่ครอบครัวของเขาแม่นปรารถันพ้าสิบห้าคำมายืนยิงไกลวัดปั้ง ย, ยิ่ยิ่งท้อปรารถนาสิบาทเลยแกวันนี้คู่ออกออลลุมมันไปไกลบอกว่าวันจะได้เจ้า บาปมันขี้สร้างสุบยาเ ม, มอวจะบอกมาป่ะมันเนแนวงานดิจิทจะไปบอกเขาในสิ่งที่ดีไปห้ามเขาในสิ่งที่เขากระทาไม่ถูกเขาเกียรติอำนาจด้วยต้องช่างต้องฉลาดด้วยสามอาสุตังสุตาถ้าเป็นติให้เขาได้ยินได้ฟังในสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังอันนี้ก็ปเป็นแนวงานต้องไปซกแทบไปคน้นความไปศึกษาในพระไตรปิฎกคําสุทรรมพระพุทธเจ้า สองหมื่นหนึ่งพันเก้ารอยี่สิหกหน้าสี่สิบห้าเร่มในพระไตรปิฎกไม่ใช่ของไง ห, หามาแล้จะม า, มาแนะนาพักสอนในสิ่งที่เขาไม่เคยได้ยินได้ฟังหาการนึ่งหายากตั้งนะ่าสิพอไดไมาให้ให้กัให้หนกสี่สุตังปริยาปริโยธเปนติสิ่งที่เขาเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วยังไม่แจ่มแจ้งให้แจม่มแจม้งยิ่งกว่าเก่ามากขึ้นห้า กาลยานีนะมนาซาโนกัมปติพึงอนุเคราะห์พวกเขาทั้งหลายด้วยน้ำใจอ่ำงามแขกไปให้มหาสูงที่ไม่เฮ็ดหนาแข็งอึงตึง้งอยู่ขึ้นหนาของเพ่งในบาไรายได้ยังคู่ใดทุกหนากเลยทอสังขารลงมหาแล้วมาบอกวันจานึงเจ้าแล้วมาเดิสนสน้องไปจะได้มาอย่งไดรใส่ตัวขื้นจะพบในแห่งคีรายแห่ยยงบกเป็นต่างมหาตำ ม, ม, มันหันใดมากมาดองอนุเคราะห์นี่กาลยานีนะมนาซาโนกัมปติ หกมนันในข้อที่หกการยากอะสักัดสะมะขัขงอาจิคันติจงชี้บอกทางดาเนินไปสู่สวรรค์สวรรให้แกเขาพระพระยากได้ไรกันนยอันสวรรค์น่พระพเจได้เตลิกันไปบ่ฟันดีเนี่ยบอคนนึุริยบอกกันเถดุ้รยาพูดกดันว่าเอกังเล ข, ข, ขังรัฐบาลนังอจิคนมัขังคัดสติ เธอจงช <hm ี้บอกทางถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งของรัฐบาลให้กับเขานะผู้คนในบ้าจะเกิดเขาเป็นที่สีจะได้เนาะเฮ้ยมึงไปในงานด้วยมึงตกเอาจะบเกลดเลยจะซีคุมกันคขาเป็นจะหน่วยตกสเต็กกันเลอันนี้คือหน้าที่ของเราถ้าเราฝึกจิฝึกใจของเราได้มาตรฐานพอสมควรแล้วพฤติกรรมคือด้านสิ้นนึพอสมควรแล้วเข้ามาในฐาน ปัญญาก็เข้ามาแต่ฐานอย่างนึงจะเรียกว่าเซค่าบุคคลระดับต้นแล้วตอนนี้ไม่ต้องมาฝึกเป็นหมูดออกไปฝึกอยู่ไซต์อะไรผูเ้เดียนป่ะเนี่ยตอนนี้เรากาลังดึงเราเข้ามาสู่การศึกษาต้องมาเป็นมู่เครื่องมือจูงเราสู่การศึกษาคือการ a j a n a m i จากการ a j a n a m i คือหมูดีคณะดีครูอาอาจารย์พูดแนะนําพักสอนดีแล้วเราจะมีสองอย่างที่จะดึงเราเข้าสู่การศึกษาที่แท้สอง เมื่อครบเศษกาลยานมิตรแล้วเราก็จะได้ได้ได้รับปราโตโคสะเสียงบอกกล่าวเล่าขานจากที่แท่นภูรูเรียกว่าปราโตโคศะอันนี้ดึงเรามาสู่การศึกษาคือการฝึกหัดที่แท้เจ๋งสามอีตัวนี้สาคัญมากเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็โยนิโสมนัสการังให้ควรพิจารณาคิดให้เป็นในจใน ใ, ใจได้ข้อมูลมาแล้วก็มาคิด คิดใหถูกวิธีคิดให้มีระเบียบคิดใหมีเหตุมีผลคิดปลุกเรากุศลธรรมมันเกิดขึ้นคิดคานคิดจนเจ้าของดูคิดเป็นบอกคิดทำเป็นได้นเน่อบอกอุปาทมนุสการคิดจนจนเกิดการกระทําเป็นเป็นการกุศลให้ให้เกิดขึ้นนอนอยู่คีย์คาดใยิ่งเสียระครังเต้งเต้นขึ้นมาคิดปพกวกเจ้าของหั่ยเข้ามานอนบ่ข้าเขาจีบานอนเขาจีมาไกลา ย, ยังป่านนี้คือนอนอนจีบานท้อน กนอนย่เนน้อนลุกพึ่งพังกันตลอดแ้วจะคิดไปยังไงนอนหาตายบ่กันอันนอนจก็ตายู่มไปคือตาอยู่สมินอนหาตายนี่ไปทำไมมัึงพังกันยคิดเือจาบกปะมนษการอุปายะมนการคิดให้ถูกวิธีปะมนการคิดให้มีระเบียบ ป้ายเมานุสการคิดมีเหตุมีผล ก, การนัมานุสการคิดให้ปลุกราบกุศลธรรมให้เกิดขึ้นลงสู่การปฏิบัติให้ได้คิดปลูกราบหล่อหลอมจิตใจตัวเองให้เกิดการกระทําที่ถูกต้องคิดเท่านั้นเป็นเพื่อบักโยนโสมนุสการนี่คือเครื่องมือที่จะนําเราสู่การการศึกษาที่แท้จริงนําเราไปสู่ศีลสู่สมาธิสู่ปัญญา สุสานามือนเซ็คปฏิปห า, าได้อย่างเต็มที่วันนี้ใช้เวลาพูดมานานพอสมควรอยากจะพูดแล้วว่าคุณค่าของกาลยาณมิตรมันมันมากถึงขนาดนี้ถ้าเราได้เห็นว่าพระเจ้าโอโศกผู้ยิ่งใหญ่ก่อนที่จะไ ด, ไ ด, ได้ได้เห็นเทวดาได้ยินเสียงเทะดาได้ผลนจากสมาธิเพราะอาศัยประชาชนคนทุกคนด่างเป็นผู้กลยาณมิตรให้ก็ควรจะขอบคุณประชาชน แล้ว ป, ประชาชนเหล่านั้นนั่งทั้งคืนยังสวราคได้ก็เพราะอาศาพาาระเจ้าอโศกที่แน่ที่สุดก็อาศัยกราร a j a นมัมิทพู้ยิ่งใหญ่อย่างท่านพระติสตะโมคลีบทผู้เป็นประธานในขณะนั้นท่านมาที่นี่ผมคนเดียวก็ชื่อว่าเป็นการ ajan มิแก่ท่านและท่านทั้งหลายก็เป็นกราร a า a n นั้สหายแก่กันกราร a า a ะน้นสัมปบังกตาตาบุคคลแพทย์ล้อมที่ดีงามสหายที่ฟังพร้อมดีงามด้วยคุณธรรม สามัญเอ็นตัวเล็กก็เป็นแบบอย่างที่ดีที่งามแก่คุณยายคุณยายคุณย่าคุณตาก็เป็นแบบอย่างเปกระยาณ น, นมิตกระยาณั้งสหายแก่พระสงฆ์เจ้าแก่พระหมหาเทระ ก, ก็ได้โอ้ยไม่ไง่าแล้วเห็นเขาลังคดลั ง, งองย่งางกับลมร า, าวเท้าเทพไปจับต้นมาต้นมันไปต้นนี้ไปเข้ามาคือสิีิราตายกว่าเราแท้เต้นดำต่อออกสว่าก็ได้พปล่าเบยบอกตุยปันมีพี่ปันแหกตั้งคือ ก็มีที่ก็โลใจคือว่าตอนนั้นเอาๆๆๆๆๆเป็นเป็นอาเปเ ป, เป็นตัวอย่างแก่ห้องนี่คือกัลยาณ์นั้นสปปวันกตาบุคคลที่แวดล้อมติตอนนี้เราก็เข้าสู่รุ่งอรุณแห่งการศึกษาอารุณนุกขังปุบพังขงมังอริยมรขงังประชตินั้นคือรุ่งอรุณแสงเงินแสงทองอริยมรเกิดขึ้นแล้วเมื่อมีกัลยาณมิตรเราก็เลยมาสร้างเสริมขึ้นมาให้มันเกิดขึ้นพรุ่งนี้ เราจะมาว่ากันในเรื่องการปฏิบัติร่วมหลักเวลาเราล่วงเลยมาพอสมควรวันนี้ฝากฝากฝากเอาไปไปทำเลยคือคือลักขันงบ น, นิชฌานสำคัญเกินนับศึกษา ม, มากเพ่งดูลักษณะกับปรากฏไอมุง้งอย่านอนเมืองควายนอนโคลน คุยนอนคิดต่อไ่ได้เยยางตัวตัวล้วนั่งนอนตามรักซีบอกบอกที่ดเดียวเลยเพอาเอาไว้ออกใครยังไงก็คือกันเข้าไปกรดไปมุงไปการาบพระเรียบร้อยไหวพระพอสมควรนั่งสมาธิมิฉนั้นก็นอนนอนอยจะนอนทิ้งนอนขว้างนอนดูลมหายใจเข้าหาจะออกสร้างความตื่นในลมหายใจเข้าหาจะออกอาโพลที่กระโดดกระทาความตื่นนั้นเกิดขึ้นจ้องดูมันจะหลับเวลาไหน ป่านนี้นะมันไม่ใช่ของเล่นนะไม่ใช่ของงานแต่มันใช่ของยากของพอดีเคยนอนมาตั้งแต่เล็กจนป่านนี้แต่เคยเห็นเวลามันหลับไหมเห็นแต่เวลามันตื่นแต่มันหลับรับเนยผมใด้บอกยังไงกขึ้นที็เราไปจ้องดูว่ามันจะหลับเวลาไหนถ้านอนดูจะรู้ optic, ยากถ้านั่งดูจะเห็นง่ายแต่ทีนี้เขานั่งอยู่ทุกวันเขานั่งดูเขานั่งหายหน้ามาหันหน้ามานบบนี่ผมมานั่งดูท่านละลายรู้จะว่ามันหลับไหม ไม่รู้เลยว่าคน <c oughs> นั่ง <c oughs> นี่นี่เวลาเวลาหายใจออกว่าคนพูดที่มเหลาเวลาให้ยใจเข้าวราคนนี่คืออะไรมันขาดอาการตื่นนั่นโพธิกรโรที่มันทําความตื่นมันขาดสันตติโพธิกรโรความตื่นที่มันติดต่อกันมันขาดขาดตอนนี่เรียกว่าคอนตินิตี้สปีชั่ มันขาดระหว่างความตื่นต่อมันขาดปุ๊บมันเสื่มต่อกันมันขาดจากส้นโค้งของการตื่นขาดไปสู่ห้วงของการหลับแต่เราไม่ไม่ไมมีสติพร้อมเราเลยไม่เห็นก็เลยมันหลับไปเลยก็เลยงอกไปตรนี้ก็แงะไปตรนี้กแงะไปตรนี้เฮ้ย้า น, นอนดีนะนอนเหยียดเอามือไว้เป็นระเบียบมันจะออกหรือไม่ในข้างข้างๆก็ได้แล้วก็จ้องดูลมมัในใจะเข้ า, ขาหายใจออกละเอียดละเอียด เข้าสุดให้มันละเอยดเหมือนเหมือนเหมือนมผู้ยิงเข็นฝ่ายดึงมาเส็นเล็กๆยาวๆสุดก่อนมันเข้าไปสุดเดึงมันกะดูจองสติจองร้อล้อมตรงนี้มันจะไปตรงไหนไปตรงไหนมันมีสองแบบนะฟังให้ดีฟัง้ดีหน้าคิดมากบางคนสติมีพอ สมาธิพอแต่ความตั้งใจไม่พร้อ ม, มประสัมภะเชญจะน้อยมันก็เลยไม่เห็นถ้ามีสัมะชยยะเชนมาประกอบสติคือสร้างความรู้ความตื่นอย่างนี้เห็นว่าลมหายใจเข้าลีเข้าเลยเ ข, า เ, ขาเวลามันจะหลับถ้าเราคุมมันอยู่อยู่ใจจัดมันจะเหนื่อยเหมือนใจจะขาดเหมือนใจจะขาดเราหลอนหายใสุดละเอียดละเอียดเข้าจนสุดถ้าก็ปล่อยมันจนสุดมันจะทุรนทลายทั้งเนื้อทั้งตัวเหมือนใจจะขาดตอนนี้อย่าไปกลัวตาหนะครับ ถ้าใจจะข่าก็ดูมาจ น, นนะั่นตั้งใจไว้มันมันค่อยแล้วจะเห็นอีกคนหนึ่งตะออกไปอีกคนหนึ่งก็นอนโกนก อ, อกเลยใช่เห็นเราไป็สองคนถ้าถึงตัวนี้แหละมันจะตื่นเต้นว่างไรครับขยันที่สุดวันวันน้ามีแต่ไปนอนนอนแอบโดมันมวนอยู่เด้ปีลุงเลยเด้หายใจเข้าเรืๆไหละเอียดม่ให้มันหยุดทีเดียวนาะ อามันเข้าถึงสุดหยุดกึกไปแล้วจึงตั้งท่าออกมาใหม่ค่อยๆออกมาอาอกมาออกมาสุดหยุดกึก๊กค่อยๆดึงเข้ามาใหม่มาถึงสุดหยุดกึกตอนนี้มันจะเหนื่อยมากใจกระวนกระวายมันใจจะขาดก็ช่างมันพอมันจะขาดจริงๆมันจะโดตดออกไปอีกคนหนึ่ง ม, มันจะมีความรู้สึกทั้งตัวสถานว่าหยา่าเยื่สถานไปทั้งตัวแต่ว่าคนลุกไม่ใช่มันสถานไปทั้งตัวว่าแล้วเห็นเห็ น, นตัวเองออกไปอีกคนหนึ่งวอ อตัวนอนตัวนี้เป็นเปลือกมันตึน้รถมันเป็นอยู่คาริโอจะเกิดความกลัวขึ้นบางคนครั้งแรกจะกลัวกลัวว่ามันจะตายกลัวว่ามันจะไม่เข้ามากลัวมันจะไม่เข้ามาไอตัวที่นอนโกลคอกอยู่ตรงนีไ้ไอตัวรั้นเป็อยู่ตริรถปกติจะเดินออกแต่มันจะเข้ามาใหม่ไม่ต้องกลัวเอาไว้ตัวนี้แหละเดี๋ยวมันจะมาของมันเองถ้ามันกลัวมันจะกลับเข้ามา แล้วมาใหม่อีกสามเดือนนี่จะเป็นมันมันมันมีตัวกั้นเหรอถ้าออกไปได้อย่างนี่ป๊อปไม่เป็นอะไรครับเดี๋ยไปกลัวบางคนไปดูละครก็ว่าวิญญาณอื่นจะมาเข้าแทนคิดเอาเองมันเคลียไปเจอแล้วครมันเข้ากันไม่ได้หรอกครับอูติจารย์ท่านบอกว่าเหมือนชักไสจากหญ้าป้องนี่คือไส่นี้คือหญ้าป้องไส้ก็อันหนึ่งหญ้าป้องก็อันหนึ่ง แต่ที่สุดทั้งสาทั้งย่าพ่มันก็อยู่ด้วยกันนั่นแหละเหมือนดึงดาบชักดาวออกจากฝักนี่คือดาบนี่คือฝักดาบก็อันหนึ่งฝักก็อันหนึ่งแต่ทั้งดาวทั้งฝักเมื่อเข้าแล้วก็อยู่ด้วยกันเอาดาบอื่นมาแทงก็ไม่ได้มันคนละดาบคนละฝักอยเข้าใจว่าวิญญาณในจรที่จะมาเข้าแทนไหมมีสนุกนะเหมือนดึงงูออกจากข้าบ คนละข้าวคนละงูมันจะเข้ากระแทงกันได้ไหมข้ามงูปลามันจะเข้างูจงอางได้ไเข้าไม่ได้ครับงูจงอางจะมาเข้าในข้าวงูหงไม่ได้อย่าไปกลัวว่าวิญญาณที่ไหนจะมาสิงเป็นนะครับมันช่ไม่เป็นนะอันนี้อีกแบบหนึง่งอีกแบบหนึ่งไม่ใช่อย่างนี้พอเราจ้องดูลมหายใจเราเวลาจะขาเข้าจะขาตื่นใหม่ เวลาจะขาดปาั๊ดตื่นใหม่ใช่ไหมตื่นขึ้นมาอีกเห็นมันขาดจากกันขาดจากตื่นไปหาหลับถความตื่นเธาสร้างจะตื่นโพงขึ้นมาอีกทั้งคืนไม่ได้หลับห่อครับคืนนะสดชื่นแจ่มใสตื่นเต้นมึงเด้อบันเดลกล้ามึงเด้อบันเ่ลมากูตายทั้งกูเสีจอบบังคาขาดกูสิยตายาเนี่ยเที่ขึก็นอนหลับสีตายแสบแทบแลบยบันเดลวิญาณเลยหากตายมัไนไม่เวียนมันจะงโหลาย ก็วบ้านตายกัฮตายไป ก, ก่อนตายก่อนตายย่อมไม่กลายไปเป็นผีตายไม่ดีเป็นที่ผีตายโหงตายโง่โง่งงเพียงแต่ให้เขาใส่ลงตายโอถโนหาตายเสียก่อนตายตายแทบแทบนอนนอนเบอในเด้อเบอร์แรกอย่านอนคือคุยนอนหรือตอเรื่ อ, อ, น อ, นน อ, นอจะมีผีตัวผู้เห็นต้องมีอีกคนหนึ่งเห็นในนี้ในทั้งหมดเนี่ยนะมือในตองฟ้องเลยเพรา่าเห็นมันมันตืมันหลับข้าจากักร ถ้าเห็นมันหลับรุดถห็มันหลับมันมันหลับเนี่ยรู้จะตื่นเข้าไปมันจะตื่นขึ้นมามหม่แล้วมันจะไม่กลัวตายแต่จะไม่กลัวที่สุดคือความตายจะไม่กลัวจะต้องจะดูมากผู้เฒ่าคือฮาคือดาเขาเก่งแต่แตงหน่อยเน่าเด็กน่อยดูเด็กน่อยสมมตนี่มันไปจ๊กตายเดี๋ยวมันเด็กโตของผู้เฒ่าโอ้มันจ๊กขึ้กันเป็นพวกผู้สูงเฒ่าดล้วหละผู้เฒ่าได้เคยตายทีนี้มาลองหัดตายเดียว นี่อานาปนสติปรดีอย่างนี้กรมฐันอื่นสี่สิบรู้บ้างไม่รู้บ้างรู้เวลาตายแต่อานาปนสติเก้าสิบอร์เ็นะครับถ้าใครจริญนอนาปนสติจะจะรู้เวลาเราจะตายเห็นไหมรูปหลวงปู่เราอยู่ในหนังสือนะ่ะหนังสือธรรวัดรท่านจริญอานาปนสติมายี่สิบกว่าปีสิบแปดปีผมจึงได้มาสอนท่าน ผมสอนตามสเต็ปที่บอกกุ้ท่านนาราเนี่ยท่านก็นทำตามท่านเป็นคนบ้าง่ายทําั่นเพียงเพียงสามวันเดินมาบอกผมโอ้ยถ้ามีคนมาสอนอย่างนี้ผมสบายแล้วอันนี้ใช้เวลาไปสิบแปดปีเขาบอกท่านบวชแล้วท่านก็ไปเจริญสมาธิภาวนาอ ย, อย่างเข่งครับอยู่สิแปดปีท่านบวชอยู่โน่นทังวัดป่าคง่ะแต่ตอนนี้ผมกลับมาสอนท่านท่านประเมาเขาไม่มีผู้บ่เงสิสมามาเตือนเลย ท่านบอยอะไรท่นก็ทำได้อย่างนั itative, er. ้นโลโก้แต่เวลาท่านจะตายฉันข้าวอิบิมอะไรๆอยู่ถ้าบอกเลยมือนี่ผมครบเจ็ดรอบเลยเด้อไปสี่ปีใครมันเจ็บไข้แดงพยาธิไปยังกระตั้มเน่าก็ะเคลนจะไปหาหมอเด้อมันบอดีดอกมันมันมันมันมปนมันไปโลกอย่างเด้อมันเป็นโลกตายแต่ว่ามันไมตายแล้วปูกพัด อยู่ใกล้ชิดลุกขึ้นก่อนเพื่อนปกล่าวกล่าวหลวงปู่แล้วก็ น, นิมนต์โอ้ยหลวงปู่เอ้ยนิมนต์อยู่นำหลูกน้ำด่ายิ่งจ็คล็อคนึงเถอะจะพาไปเค้ยเราแบบมันหนักเป็นเราแบบเอาเราเท่านี้แหะผู้แค่นี้ไม่มีไม่มีใครคิดว่าท่านจะไปไอะไรเลิกาการลงฉันก็กลับไปกดอิคิเอนหนังสือลาเลยอย่งเดยวนันหนังสือทธรทรมะเร า, นะ ท, เาที่สิ้นสุดแห่งกายคือสิ้นลมหายใจที่สิ้นสุดแห่งใจคือความมีตัวเราของเราที่ ที่ห้างท่านเ ข, าเขียนไว้ก่อนตายนั้นนันตงือทรรมัดและห้างก็วางไว้เก็บสิ่งของไว้เป็นระเบียบ ม, มากบาตรเบิดผ้าจีวอจีวอทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ใบมีกรดหูฝังที่เป็นคนหูงอที่เรื่งเอกท่าน เ, เก็บไว้อย่างดีหนังสือธรรมบัดหนังสือเก่าแก่ครูบาอาจารย์ของท่านพับไว้อย่างดีผ้าวิญญย์ชาและห้างกอนอน็นอนนอนหกวันหกคืนครึ่งก่อนที่มันคืนมันพ่ขขอคืน ก็เมื่อตายไะเถิดนอนโกถาธาได้ไปไหนเมื่อเอ็นจะได้บุตรได้ไปไหนเขาก็บ่กกินเจ้าขันโบรนี้เขาบอกว่าหกวันหกคืนครึ่งคืนที่ครึ่งคือคืนที่เจ็ดมันยังไม่เต็มได้ครึงหนึ่งก็ได้ตายหนาสบายสบายตายแทบแทบกันเลยเทาหันอะไรเรือหันลงบนเสก่อนอาสมควรกี่เวลาเลยเนาะผมก็เหนื่อยแล้วขอความเจริญงองาม ในเสขาธรรมจงบางเกิดมีในจิตในใจของท่านทั้งหลายโดยทั่วกันทุกรูปทุกองทุกข์ทุกคน